ผู้รู้ไม่ใช่หมายถึงตัวเราเป็นผู้รูหรือผู้รู้เป็นตัวเราผู้รู้นี่เป็นวิญญาณแท้แท้หรือเป็นจิตดั้งเดิมแท้แท้หรือใจดั้งเดิมแท้แท้เป็นของแท้เหมือนเทียบกับทองแท้ร้อยเปอร์เซนก็เรียกทองแท้ทองแท้เนี่ยคือเป็นทองที่เขาถลุงเอาไอ้แร่ธาตุที่ปอมปนกับแร่ธาตุทองคาที่อยู่ในใต้ดินเนี่ยออกเรียบร้อยแล้ว กลายเป็นทองแท้มันให้พวกเราใช้อมาขายเป็นทองแท่งทองคำร้อยเปอร์เซตเมื่อมาเทียบกับวิญญาตแท้จิตตั้งเดิมแท้จิตแท้ใจแท้เป็นชื่อเดียวกันวิญญาณหรือจิตหรือใจเนี่ยมันแท้แต่เป็นของแท้นะของแท้คืออะไรอ่ะคือถลุงแล้วเอาสติสมาทิปัญญาเนี่ยไปถลุงเอาเรียมักในองแปดเนี่ยไปถลุงถลุงเอาเอาวิชาที่ปลอมปนเนี่ยออกไปก็เหลือเป็นจิตแท้วิญญาตแท้ วิจัยแท้ๆมีสภาพรู้อย่างเดียวตัวตนของตัวจิตตัวใจไม่มีกิริยาการใดๆไม่มีไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีขาวไม่มีดำไม่มีผ่องใสไม่มีเศร้าหมองไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มียาวไม่มีสั้นไม่มีหนาไม่มีบางไม่มีกิริยาการใดๆในนั้นไม่อาจคิดตึกตองปรุงแต่งได้ไม่อาจมีกิริยาการใดๆได้มีสภาพอย่างเดียวคือรู้รู้ไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยทักอย่างเดียวมีแต่รู้อย่างเดียว ตัวของเขาเนี่ยมิจด้รู้อย่างเดียวนี่พระยาเจ้าทั้งหลายท่านก็ฝึกฝนจนกระทั้งอยู่กับรู้นี่เนี่ยอยู่กับรู้อยู่กับรู้ไม่ไปอยู่กับอารมณ์ที่ถูกรู้ไม่ไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดหรืออารมณ์ที่ถูกรู้ทั้งหมดรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นของไม่เที่ยงอนิจจงทุกขังอนัตตาเสียงเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้เป็นของไม่เที่ยงอนิจจงทุกขังอนัตตาปิ่นรสสัมผัส หรือผลทพะและก็ธรรมลมคืออาการของใจทุกชนิดคือเวทนาสัญญาสังขารในขันห้าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปส่วนผู้รู้ที่คิดได้ส่วนที่ผู้รู้ตามทวารรู้ท้องตารู้ท้องหูรู้ท้งจมูกรู้ท้งลิตรู้ท้องกายรู้ท้งใจหรือรู้รูปลู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ตามทวารเนี่ยคือเรียกว่าจิตหรือวิญญาณขันในขันที่ห้าจิตหรือวิญญาณขันเนี่ย ทำหน้าที่รู้ตามทวารคือรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสแล้วก็รู้ธรรมอารมณ์รู้เวทนาสัญญาสังขารเมื่อจิตหรือวิญญาณเนี่ยเขาไปรู้ตามทวารเสร็จเขาก็จะต้องส่งต่อเวทนาคือจําได้ไหมรู้เอคือรู้สึกถูกใจไม่ถูกใจไปกลางกลต่อสิ่งนั้นแล้วก็จําได้ไหมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ส่งต่อสังขารคือความคิดคิดฟรุงเนี่ยนี่คือธรรมชาติก็เรียกว่าเจตสิกคือจิตวิญญาณขันธ์น่ยต้องเกิด ทำงานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขานในอีกสามขันส่วนวิญญาณขันเนี่ยเป็นขันที่ห้าเออส่วนเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณเออส่วนเวทนาสัญญาสังขารสามขันนี่เป็นขันที่สองขันที่สามขันที่สี่วิญญาณขันเป็นขันที่ห้าแล้วรู้รูปรู้รู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสแม้แต่รู้รู้ร่างกายเราคือรูปเนี่ยเนี่ยก็พอรู้เสร็จแล้วก็จะต้องส่งต่อเวทนาสัญญาสั้งขันคือทํางานร่วมกับเจตสิกแล้วก็ รู้เสร็จเราก็จะต้องส่งต่อเวทนาคือถูกใจไม่ถูกใจเพียงกลางจาได้ไหมรู่เราก็สังขารคิดปรุงเกลงคิดดังนั้นน่ยถ้ารู้ตามทวารเนี่ยเราสังเกตได้ดีมันจะต้องเอามาวิภาควิจารณ์ในใจเรารู้อะไรตามทวารเนี่ยมันจะต้องเอามาวิภากควิจารณ์ในใจนี่คือกระบวนการทํางานของขันห้าตคือเมื่อวิญญาณขันจิตหรือวิญญาณขันเนี่ยไปรับรู้อะไรตามทวารรู้รูปลู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ทรมารมณ์ตามทวาร ต่างตาวุฒิบุรินทรไก่ใจจะต้องเอามาเวทท่งต่อเวทนาสัญญาสังขารคือมีลักษณะถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ถึงกับขั้นถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็จําได้ไม่รู้แล้วก็สังขารคือคิดปรุงปุงคิดในใจอยู่คนเดียวนี่คือเป็นเรื่องของปกตินะปกติของขันห้าเนี่ยตอนนี้เมื่อเราสติยืมสติสมาธิปัญญาในขันห้ามาใช้เป็นเหลือข้ามฟ้าไปปณิาพานอุจ้าตัด เราก็ยืมสตมิสมาธิปัญญาเนี่ยมาสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจเพราะอะไรเพราะว่าจิตหรือวิญญาณนาขันเนี่ยเมื่อไปรู้อะไรตามทวารเนี่ยเขาจะต้องเอามาคิดปรุงปรุ ง, งคิดในใจของเราไม่ได้ปรุงที่ไหนได้หรอกดังนั้นเมื่อสติตั้งที่ใจดูยอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตที่ใจละ่ใจตลอดเวลามันก็เลยรู้ว่าในใจของเราเนี่ยมันเอาอะไรมาปรุงไงจิตวิญญาณนาขันเนี่ย มันเอาอะไรมาปรุงอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาคือส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารมาคิดปรุงปุงคิดเมื่อสติตั้งที่ใจมันก็เลยรู้เรื่องของใจเราตลอดเวลาว่าคิดดีคิดชัว่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลอกุศลเราหลงไปกับเขาไม่ละ่ะถ้าเราไม่หลงไปกับเขาไม่พยายามไปดับเขาแล้วไม่หลงไม่หลงไปกับเขารับรู้ได้แจ่เป็นกลางท่านก็ปฏิบัติเหมือนกับพระอเยทรงหลายทุกองที่ท่านกล่าวมาว่าที่กล่าวมาแล้วว่ารับรู้อยู่ทุกอย่างได้แจ่เป็นกลางนั่นแหนละรับรู้อะไร เมื่อรับรู้ใจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเป็นกลางมันก็จะรับรู้ทุกอย่างภายนอกด้วยใจเป็นกลางโดยอัตโนมัติเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกก็ต้องฝึกรับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเราทุกคิดทุกอาการอย่างเป็นกลางรับรู้ได้ใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปรับรู้แล้วพยายามทําให้ใจเราเป็นกลางไอ้ที่เอาตัวเราไปรับรู้แล้วพยายามทําให้ใจเราเป็นกลางนั้นอันนั้นเป็นสังขารปรุงแต่งไม่ใช่เป็นใจหรือไม่ใช่เป็นใจแท้เป็นจิตแท้หรือวิญญาณแท้ที่มาเกิด เพราะว่าใจแท้จิตแท้วิญญาณแท้นั้นมันมันทําหน้าที่รับรู้รับรู้ในใจที่มีรู้อะไรทางถารแล้วมาคิดนึกถึงตอมปุงแต่งในใจเ น, นีไอตัวที่เป็นรับรู้ทางถวาวรเตาจงนีแก่ใจอันนั้นเป็นว Personal ิญญาณฐานจิตวิญญาณฐานแต่ตัววิญญาณแท้ที่เป็นวิญญาณธาตุเป็นจิตเป็นจิตธาตุเป็นใจธาตุที่เป็นธาตุแท้ไม่มีอวิชชาปอมปนแล้วเป็นของแท้แล้วอันนั้นไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกรายาการใดๆเลยเป็นเพียงใจ ที่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเปรียบใจเหมือนกับมดลูกของคันหรือมดลูกของผู้หญิงเมื่อวิญญาณอขันเนี่ยไปรับรู้อะไรต่างต่างจมูลินกายใจจะต้องมาเอามาส่งต่อเวทนาสัญญาทั้งขนันคือรู้สึกถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจจําได้หมายรู้ส่งต่อทั้งขนันคือความคิดปุ๋มบุ๋มคิดเปรียบเหมือนเด็กที่มาเกิดในคันหรือมดลูกดังนั้นการรับรู้อะไรแต่ละครั้งทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดเด็กที่มาเกิดอยู่ในคันคือใจ ส่วนใจนั้นได้แต่รับรู้ว่ามีอะไรมาเกิดได้คันแล้วเด็กที่มาเกิดในคันทุกขริยาการนั้นก็เกิดแล้วก็ดับไปคลอดไปเกิดแล้วก็ดับไปคลอดไปแต่ใจเปรียบเหมือนคันหรือมดลูกไม่ได้เกิดไม่ได้ดับไม่ได้แตกไม่ทําลายไม่ได้คลอดด้วยแต่ใจนั้นมีสภาพรู้ดังนั้นเมื่ออะไรมาเกิดดับอยู่ในใจใจจึงรู้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ใจรู้สักแต่ว่ารู้ก็จะกลายเป็นใจแท้ๆเป็นจิตแท้ๆเป็นจิตดั้งเดิมแท้ๆหรือเรียกว่าธรรมะท่าก็จะบรรลุมารรคผลที่ผ่านไป ดนั้นการที่เราฝึกฝนอย่างหนักก็คือสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตที่ใจละที่ใจแล้วก็หลับรู้ได้ใจเป็นตัว